นเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบาัน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 นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา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 ปาฐกถาพิเศษในงาน Sustainable Forum นะครับนะ2024ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละครับนะก็ชี้แจงบอกว่าประเทศไทยเราเน้นเนนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาดนะเรื่อง Net Zero คือเป้าหมายก็คือนะทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่ได้รับผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมให้น้อยมากนะครับนะเป็นธุรกิจสีเขียวนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ เป้าหมายก็คื อ, อเพื่อให้ถึงระดับเนสซีโลนะครับนะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเราเนี่ยจากการชี้วัดขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเราอยู่ที่อันดับ43ของโลกนะก็เป็นจุดขายนะที่ในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะแต่ว่าก็เป็น ยังติดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้านี่แพงนะเราทําอย่างไรที่จะต้องดึงค่าไฟลงมานะจึงตรงนี้นายงตีก็บอกว่าก็ตั้งเป้าไว้นะครับนะว่าอยากให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.10 บาทต่อหน่วยนะก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะซึ่ตงต้องต้องดูว่าจะผลักดันได้หรือไม่นะครับและนายงตีก็ยังพูดถึงเศรษฐกิจปีหน้าปี2567แล้วก็หนักใจเพราะว่าช่วงนี้ในเศรษฐกิจ ชะลอตัวล้วครับนะนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็หนักอยู่ค่าแรงก็ต่ำํำนะซึ่งชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้เสียนครูเรือนเนี่ย ก, ก็สูงนะครับซึ่งตรงนี้นีก็ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี่ก็ค่อนข้างที่จะช ะ, ชะลอตัวแล้ครับนะ จ, ะจะทําอย่างไรซึ่งตรงนี้งคงจะต้องดูแล้วก็ต้องเร่งเจรจา fta เนกะี่ยวกับเรื่องของการค้าเสรีระหว่างประเทศให้มากขึ้น ตอนนี้เรายังติดอยู่ที่ยุยโรปแหะครับนะเราก็ยังยังยังไม่ได้เจรจาให้ได้ผลในขณะที่เวียดนาม เ, าเจรจาสําเร็จแล้วก็จะทําให้สินค้าส่งออกของเวียดนามนี่แซงหน้าเราเพราะส่งไปขายยังยุโรปเนี่ภาษีก็ลดลงนะครับนะเราก็ต้องเร่งเจรจานะครับซึ่งก่อนหลายๆประเทศนะที่ที่เราต้องเจรจาอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างยุโรปนี่ครับเพราะว่าจีนนี่เราเจรจาแล้วสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า สินค้าจากจีนนี่ก็จะถูกเพราะว่าเร า, mm hmm. เ, ราเรามีข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องของกําแพงภาษีนะนอกจากนี้นะยกก็บอกว่าจะเน้นเกี่ยวเรื่องของการค้าตามแนวชายแดนนะซึ่งก็แถวพมา่าเรามีลาวมีกัมพูชามาเลเซียเหรครับนะซึ่งมาเลเซียนี่ก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเดียบสูงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่ง ตรงนี้นายยงตีก็เปิดเผยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าแรงขั้นต่ําก็อยากจะปรับให้สูงขึ้นนี่แหละครับนะพยายามนะที่จะปรับให้สูงขึ้นเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่พอใจก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะซึ่งคงนี้นในส่วนของสื่อของประชาชนก็คงจะติดตามกันอยู่นะครับนะเพราะเป็นนโยบายที่ในส่วนของอพรรคของพรรคการเมืองีก็หาเสียงกันไว้ นะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูแล้วที่ในส่วนของชาวบ้านก็อยากจะได้มากก็คงจะเป็นเรื่องของบํานาญประชาชนนะทำอย่างไรที่จะให้เบี้ยบํานาญคนอายุกเกิน60ให้ได้สูงขึ้นนะครับนะจากตอนนี้ยัง600้อนี่ถือว่ายังค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะก็อ่าเป็นคิดเป็นรายวันนี่จำนวนน้อยแล้วครับไม่พอที่จะซื้อข้ขาวปลาอาหารนะซึ่งจริงๆก็ไหล ส่วนเนี่ยเสนอกันไว้ที่บำนาญประโยชน์ที่ 3,000 บาทต่อเดือนนะซึ่งซึ่งตรงนี้คงจะต้องดูนะครับว่าจะตอบสนองกันอย่างไรมาแล้วฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ยังคงไปไม่ถึงได้แต่คอยเฝ้าเพลอรำพึงฝันกลางวันรำไปหากว่าใครมีความฝันใฝ่และยังเดินทางสอหาเส้นทางไกลหัวใจอ่อนล้าให้เธอหันมาทางนี้ที่ตรง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 แสงตะวันสู่จุดหมายด้วยความเข้มแข็งที่ตรงนี้มีฉันให้กำลังใจให้เธอก้าวไปและเชื่อมันในจุดหมายที่มีข้นาอย่าสิ้สนศรัทธากับทางที่เธอเลือกเอง แสงตะ ว, วันสู่จุดหมายด้วยความเข้มแข็ง มาพูดมาคุยกันต่อในช่วงนี้นี่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นี่คนข้างที่จะรุนแรงแล้วครับเราจะเห็นจากาจากสื่อต่างๆนะใช้แอปในการเช็คฝุ่นนะครับนะก็จะเห็นว่าอยู่ในรหัสแดงรหัสสีแสดนะนะกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะโดยเฉพาะปอดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ ว, ว่ามีคน เสียชีวิตนะจากจากเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเนี่ยมากขึ้นนะนะี่ยมีคุณหมอคนนึงที่อยูนะ่เชียงใหม่เนี่ยครับเสียชีวิตไปนะครับนะคือกนะ็หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ PM2. อดหหรือไม่เพราะาแถวภาคเหนือนี่ค่อนข้างจะหลายจังหวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับนะคือซึ่งเสี่ยงนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับนะที่จะ ไม่ให้กระทบนะครับซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรจีดเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้5นี่ก็จังหวัดของไทยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะอย่างอย่างเช่นสมุทรสาครนคนปรปฐมระยองกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานมากแหะครับนะ จ, จะส่งผลกระทบ มากนะครับในขนาดที่28จังหวัดเนี่ยมีค่าเกินมาตรฐานก็คืออยู่ระดับสีส้มนะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องพยายามที่จ ะ, ะแก้ไขนะครับ ว, ว่าจะแก้กันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับแล้วก็นาย่งตีเนี่ยก็กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 บอกว่าทราบอยู่แล้วก็พยายามที่จะสั่งการนะ ไม่ให้มีการเผาป่านะอาจจะต้องดําเนินการคดีเพราะว่าในส่วนของเกษตรกรนี่ก็บางครั้งเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเผาป่านะอาจจะทําไร่อ้อยบางอะไรต่างๆบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องอพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะแล้วก็ในส่วนของต้องติดประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับนะเพราะว่าการเผาป่าทําการเกษตรเนี่ยก็ เห็นจุดนะเห็นดูอจากดาวเทียมนี่เห็นจุดมากเลยแถวพมา่าแถวสปปลาวนี่ยเขามากนะครับกัมพูชาอย่างเงี้นะครับนะพราะเกษตรกรเผาแล้วก็ควันก็จะเข้ามาอย่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องแก้ไขนะอย่างอย่างด่วนเลยครับนะเพราะว่ากระทบต่อปัญหาสุขภาพกันอย่างหนักหน่วงนะครับโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นนี่นะครับนะเราก็จะเห็นว่า ก็ควรที่จะต้องระวังรักษาไม่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับนะตัวนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองที่กรมการแพทย์นี่ก็บอกว่าปัญหาฝุ่น PM 2 5ส่งผลกระทบะต่อสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจรวมทั้งคนแก่ด้วยนะครับนะคนวัยสูงวัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องร ะ, ะมัดระวังเพราะว่า ถ้าฝุ่น PM สองจุมากนี่ก็เสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดนะแล้วก็อยู่เข้าไปสู่ในกระแสโลหิตก็จะเป็นผลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของคุณหมอนี่ก็บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการที่จะให้หรือครูก็ตามหลีกเลี่ยงที่จะพาเด็กไปทํากิจกรรมข้างนอกนะครับนะหรือไปเล่นกีฬาในสนามกลางแจ้งถ้าถ้าข้าฝุ่นไม่ดีเนี่ยต้องให้อยู่ภายในอาคารก็จะดีแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับนะมีเครื่องปรับอากาศ หรือว่าใส่แมทตนะครับใส่แมสป้องกั น, นเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องใช้หลายๆวิธีในการที่จะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งค่อนข้างที่จะจะหนักเหครับค่อนข้างที่จะหนักเลยหนักหน่วงกันมากเลยทีเดียวนะครับมาดูเกี่ยวกับระแสเกี่ยวกับในช่วงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับนะซึ่ง ตอนนี้นี่ก็จะเห็นว่าในส่วนของรถยนต์นี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นี่เริ่มที่จะเข้ามาตีตลาดรถยนต์แทนรถยนต์เครื่องสันดาปนะคือใช้น้ำมันแบบเดิมเนี่ยซึ่งเราจะเห็นแนวโน้มมากเลยนะครับจากการจองเรื่องการยอดขายของรถยนต์ในงานมอเตอร์ p o ประจำปีของไทยเราเนี่ยนะครับนะสงาเนี่ยนะงานมอเตอร์โชว์นี่แหละครับนะซึ่ง ก็บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแรงนะครับนะซึ่งมียอดจองอยู่ถึงประมาณ5 0,000 ื่คันเนี่รถยนต์ไฟฟ้านี่คือเกือบครึ่งแหละครับนะซึ่ง ก, ก, การเปิดเผยของนายขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลที่จะเป็นคนจัดงานมหกรรมยานยนตนะ์ครั้งนี้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่บอกว่ามียอดจองรถยนต์ในงานถึง5 0,000 กว่าคันนะแล้วก็ รถจักรยานยนต์ถึง 7,000 ันคันแล้วก็เกือบครึ่งหนึงน่งเนี่ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนะมีรถยนต์สันดาปก็มีแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ทำให้ตลาดอาจจะต้องมีการแข่งขันกันดุนแรงถึงแม้ว่าเจ้าตลาดยังเป็นโตโยต้าฮอนด้าของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีช้างอานจากจีนแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่นา ข้าวริษัทใหญ่อย่งาง b ีนี่ก็ยอดจองสูงขึ้นเรื่อยๆครับไอออนนะครับเ <IS> พราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูทิศทางของการใช้พลังงานนะครับนะซ<ด>ึ่งตรงนี้นี่ก็อย่า ง, างที่บอกแล้วครับนะว่ารถยนตน์ไฟฟ้ า, ฟานี่ก็ถ้ามีสถานีชาร์จไฟเพีเพเพเพเพยงพอแล้วครับแล้วก็ในส่วนของอมีศูนย์บริการต่างๆเพียงพอนี่ก็ ยอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมีคนนิยมใช้มากขึ้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันไม่มีฝุ่นไม่มีควันนะครับนะเพราะาไม่มีเสไ ม, ไม่ไม่ใช้เครื่องยนต์ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นออกมานิยมมาวิ่งกันอย่างมากนในขณะที่รถยนต์สัญดับนี่ก็ต้องเริ่มที่จะลดลงนะแต่ว่าก็ยัง ยเฉพาะราคาน้ำมันนะครับท่านราคาน้ามันยังแพงยังสูงอยู่นี่คนก็อาจจะต้องหันไปใช้ไฟฟ้าก็คงจะต้องดูนะครับนะดูมาตรการในการใช้ใช้ใชนาฬกาพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งช่วงนี้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไปเชิญชวนบริษัทขนาดใหญ่มาลงทุนมากนะอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้านี่ไปเชิญเทสลานะมานะลงทุนในบ้านเราซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของอเมริกา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 แสงดาวเน็บหนาวราวง่ายเงาอันโหดร้ายอกกอดใจไายุลมโบกโบยพัดกิ่งไหวทิ้งใบร่วงลงโซเดนหวังใหญ่เธอเลือด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 คำสัญญาที่ไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลหลืม จ, จริงหรือไม่อยากจำคำทุกคำลว้วนเสแส้งเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยจนน้อยใจ บินไปไม่คืนรังลืมคนอยู่ข้างลังอีกทั้งคนเพราะรักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนลับมาเทิดหน้านามนพี่จนแต่จริงใจ